ไปทำมีเป็นฟังางาน อ, อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องปฏิบัติมีสำคัญ อ, อยู่ที่ตายไม่ใจอนยสัดติดต่อผู้ใช้เจ้าเ บ, บ่งบอก่รู้เห็นพอเนจากตายใจากใจของคันแต่ะมียวนป้มสานที่อืาาาา่นทำมะไาใจใจในเชิรทำถึงจะแบบ ทำทีแบกให้ายตีดกเห่ยรอบโลกก็ได้คือว่าอยูนั้นยังไม่เห็นธรรมยังไม่เข้าใจธรรมยังเป็นธรรมไม่ได้ถ้าหากที่จรนาตายใจจะได้าินค่ตายตีดกอยู่ในสำหรับตำราอยู่ในเนี่ยในตัวบาสัมพอได้คือว่าเอาศึกษา เรื่องกายจิตดกใจยกุจสามกายวาจาจิตเพรอกายวาจาจิตนี้แหละเกิดสมมุติสิ้นไปต่างๆนานาที่จะจิตจะสิ้นเกิดสิจักกายวาจาจิต สิ่งจะดีจะชั่วก็เกิดขึ้นจากกายรายใจจิตไม่ได้เกิดมาจากภายนอกทุกที่พระพุทธเจ้างให้กำหนดรู้ก็ให้รู้ที่งกายสิ่จิตก็าจะรู้ที่อีก่กายจิตเป็นทุกอย่างไรอาหากเราพิจารณา อย่างของความจะสร้างได้เราทำไมห้มีตายตารงานตายอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นมีแต่กายทำไ ม, ม่ไจิตอยู่ภายในกายกนหนึ่มีความหมายอะไรปกติของกายจึงจังทำไ ม, มีจิตอาสายกลัวเนืนอนผ่อนมาให้ผ่อนคืน เราจะเอาไปส่ในไฟมั น, น, นกลมเอตัวจะไปโยนึิงลงน้ำมั น, น, นกลมเอตัวงานจีบของมันไม่ทราบอะไรเท่านั้นเล่ของกายอจเป็นกายจริงจังเรื่องของจิตที่เข้าไปอยู่ยนในกายยิงคำให่กายเกิดทุกข์ทุกข์ก็ฟันชอบใจทุกข์ก็ฟเสียใจ รูปความถึงความตาอหายต่างๆทางที่จะแก้ทุกตัวเห็นรูปทุกขนาดชัดเจนจะก่อนไม่อย่างนั้นจะแก้ทุกปล่อยทุกออกจากใจในดาห์พอใจยึดถือทุกของใจเป็นทางชำระได้เหมือนทุกของกาดพอทุกของใจจิไปใส่จิตติดข้อง เนเรื่องความในรอบพ่อไม่มีปัญญาของใจใจยังยึดใจยังถือใจยังหลงถ้าใจรู้ใจเขินใจในตัวของตัวเองชัดเจนจะปล่อยวางเรื่องทุกทางใจโกรความโศกของใจจะไม่มีปริเพราความแห้งใจจะไม่มีโทมนัสความน้อยใจจะไม่มี ความทุกข์ทางใจเป็นทางกีลาได้เด็กขาดจากอำนาจของมัดของขอปฏิบัติใส่จิตที่นิพพิจารณารูา้ขั่วยอมปล่อยวางเรื่องทุกข์ของใจใจจะนบนิสุทผุดปอยทุกการทุกเวลาส่วนทุกข์ของใจถ้าหากยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีเป็นธรร ม, มดา การผิวการตาหายการเหนื่อเหนื่อยเหนื่อยล้าต่างๆมีเป็นทุกข์ทงการที่นว่าพารามีปัญจขันธ์านฐานทั้งห้าอยู่จะต้อเป็นทุกข์แต่ฐานทั้งห้าในใจที่เหนือปัญหาปัญจจารนารอเหน่ยของขันความถิความตาหายนใจเป็นเหนี่ของที่เหนือปัญหาเป็นเหนี่ยี่ ความเงื th th ng, อง ng ng ่องไขฐานเมื à, ่อฐานยังมีอยู่ฐานจะต้องมีการต้องเป็นธรรมดาเพราะเรา้อยู่ทุกการทุกเวลาการรับเข้าในการถ่ายออกเหตุนั้นคือเป็นทุกเงื่อนของฐันทุกเงื่อของฐานเมื่อชีวิตอยู่จะต้องเป็นทุกอย่างนั้น ทางศาสนาสอนให้ชำระเรื่องของใจในใจดูเห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไปเมื่อหมดเรื่องของาดขันเมื่อใดก็ได้คิดว่าเป็นยอดของความสุขเพราะไม่มีทางขาดขันในโรควดยังมีขาดขันอยู่ท่านก็ยังมีการกินการดูดการเสี่ยมเนื้อบด ตามเรื่องของขันเพราะขาดขันยังมีอยู่เมอหมดขาดขันไปความบริสุทธิ์รนี่เกาะเขียวเรื่องของขาดขันเป็นความบริสุทธิ์ลวดเป็นความบริสุทธิ์จิตแน่นอนแต่คนที่ยังยึดขายึดขันยังไม่ได้สาหรับสำหรับาสนาทางอัตรรม เป็นทุกข์เกิดขึ้นทั้งทุกายทั้งทุกข์ใจดันั้นทางธรรมะขันติสอนให้พิจเจาให้รู้ห้พใจเห็นทุกข์ท้ตายใหเห็นทุกข์ทางใจทุกข์เกิดขึ้นจากทางใจโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสมุติใจคือความอยากความอยากของใจ ร้ายแรงกว่าความอยากของการเราจะพิจารณาได้มนุษย์เราทั่วไปที่อยู่ที่อาศัยมืการอยู่กินต่างๆการหนึ่งจองการมากพอยัอยงอิ่นทั้งหนึ่งเทรานั้นที่นั่งก็เพงไม่กว้างทังอะไรเพียงสอบเยียกว่าพาะที่นอนอออออก็นเหมือนการยาวสื่สอบกว้างสอบเยอะพาะแต่เหลือท้องใจ มันมีความอยากมากใหญ่ไปสูงทึกรุงไปต่างๆฉันจะเรียกว่าการหาความอยากทำให้เกิดทุกข์้นขทุกขพความอยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ไม่ได้นดักทุกขที่มีอยู่ที่ชอบใจถ้าได้มา ก, ก็เป็นภาระเป็นทุกข์เพราะการรักษา ไม่อยากให้ส่วนนั้นเรื่อง น, นั้นเกี่ยคุณภาพหรือจิตหายไปรักษาเท่าไรมันก็เป็นไปตามสภาพในดั่เพราะสังขารมีการเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายเมื่อมันไม่ได้ตามความพอบใจของตัวยิงเกิดความทุกข์ขึ้นอีก เ, อเดี๋ยว ทางใจสาธิจเจรนาแกใช้รูปทั่วอย่างเหล่านี้มันตกไปหมดไปใจในนี้สุขใจมีความสุขใจมีความสบายเพราะใจม่ยึดไม่ขลองไม่ติดในส่วนภายนอกพวกเราผู่ปฏิบัติจิงวกเข้ามา นอมเข้ามาพิจารณาตัวของตัวเองว่าสถานที่จะเกิดทุกมีอยู่ในตัวของเราจะเกิดฉุกเล่าผมมีอยู่ในตัวของเราเองเรื่องอื่นมีอะไรที่เขาจะให้ทุกต่อตัวของเราแต่ตัวของเราไม่มีทุกถึงเนื่องอื่นจะมีมากขนาดไหนใจในเกี่ยวข้อง มันก็เป็นทุกข์เพราะใจอยู่เพราะเรื่องใจคิดง่าคนอื่นเาตายไม่ใ่าข้างเราไม่ใ่เราปวขงเราเราไม่เป็นทุกข์เราะตายจกว่าเรื่องขอเาตายาถูกาขงเรา่แม่ขงเรานีี่น้องขงเราเราจะเกิดทสทิสหรือเรื่องกขราะใจิดไปเกี่ยวข้อง ของอื่นก็เมือนกันถ้าหเราเสียสละไปได้เราเองม่นมายยึดถือว่าเป็นของของเราเขาจะพ่นจะี้จะลากจะขโมยได้ขนาดไหนขอี้ว่าของของคนอื่นไม่มีการเสียอกเใจถ้ามาโดนของของเราเข้ายิงเป็นสิ่ง่วห็นเหตุผลอะไรใจจะยอมเืิดทุกข์ขึ้นกว่านั้นแต่นั้นเรื่องทุ ยังมีอยู่ในตัวของเรายันอยู่เลยืนฟ้าอากาศยังอยู่ตามกลิ่งของภ า, ายนาอกการําระที่เจรณาโสมมาทางใจแก ะ, ส, ะ, ส, ะสายชำระต่อสางข์ใใจหายความยึดครอบในใจเห็นตามเป็จนจริงการปฏิบัติศาสนาธรรมะของพรุทธเจ้าฉันว่าเป็นอาจารย์ลิปกเดียรน้อเข้ามาพิาจารณาภายใม่ เรียนร่างายที่เรยใจของตนเพราะต้นตอที่จะเกิดพวเคิดชาต่างๆเกิดขึ้นจากสิ่เรื่องของใจถ้นมีมีเรียนตั้งหามีอริชาอุปาทานแล้วเรื่องอื่นวุ่นไปทั่วโลกถ้าดับเรื่องของใจได้เรื่องอื่นจะมีมากมายหลายหลวงขนาดไหนพอดับกันไปหมด เพราใจไมเกี่ยวข้องการที่เจอเนี่ยอย่างของใจหรือการศึกษาธรรมะยิ่งเป็นของสั้นๆไม่ใช่ของลเอียดยาวมากมายหลายหลวงไมนเหมือนศึกษาทางโลกทางโลกที่มีมากแขนงศาชาต่างๆเราจะศึกษาทางโลกมันมีการจบการซิกการงานทางโลกจะทําไปเท่าไรบางแกวันเกิดจงกระทั่งวันตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นะ มันมีวันเวลาที่จะจบสิ้น ง, งานงแต่งานของทำเป็นของสั้นปฏ <c oughs> ิบัติผู้เห็นเป็นจริงราดหอนหน้าหมดเสจสิ้นที่จะทําต่อไปในการละการมองเห็นเป็นทางสั้นแต่มันเป็นเรื่องฝ่าฝืนเรื่องของใจเพราะใจเคย ลอยตามแต่แสขโลกไม่เคยควบคุมมาที่เรนาภายในถ้าหาดปล่อยให้มันไปคิดไปมเรื่องของภายนอกเรื่องของโลกไม่ม y, เีเวลาย่อนเข้ามาภายในเมีแต่ไหลเลื่อยไปแล้วก็เป็นแบบสะดวกสบายพอมากําหนดจิตวอกคิดเข้ามาภายในพิจรารณากายใจของตน รู้สึกว่าบังคับยะภาหาไม่มีความเชื่อมั่นจริงจังจิตนั้นจะเล่นลอดออกไปทุกวันทุกเวลาออกไปสู่สัญญาอารมณ์ยู่เป็นอดีตหรืออนาคตปัจจุบันไลยไม่เห็นเลยเป็นอดีตแต่อนาคตอยู่เสมอไปม่ีจือใจไม่มีกำลังไม่มีอัดทามไม่มีความเชื่อมั่น เพราะมันเคยหักดันไปอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดในทราบว่าจีพิชิตชาที่มันเคยบังคับบัญชาสี่หลังนั่งพอเรามาเกิดทิ่เหตุปันหามันอยากให้คิดให้พุ่งเรื่องนอกแต่เลืองภายในที่จะแก้ไขสำราสารสางจิตใจจริงจังมันไม่เคยมันจึงลำบากแต่สิ่งจะลำบากยากเย็นขนาดไหน ก่อทำเผื่อตัวของเราไม่ใจทำเผื่อคนอื่นถ้าเราจะหลงยึดตามเรื่องนอกมีอย่างนั้นภพชาติของยาของเราก็จะยึดยาวมันมีวันเวลาที่จะตัดสั่นขอไปดัดพอต่อเรื่อยไปอยากจะให้สั้นอยากใต่อแอพิจารณาอยู่ภายในกำหนดกายกำหนดใ จ, ดใ จ, ดใจสม่ำเสมอ กายใจมันเลือกคิดติดตามอะไรมันเป็นเรื่องธรรมะด้านแยกไ่ยเป็นมั้งเกื่ยวชาระสารสังเกตหรือไม่เรเป็นเลื่องสมุทรไทยวง ค, คิดติดตามให้เกิดทุกข์นิมิจรณาคิดอ่านอยู่ดูแลเนื่องจิตใจสม่ำเสมอคนนั้นพบชาติจะตั้งเข้ามา ภานาคือเมื่อเคยเนเคยเห็นเคยรู้พอจะรู้จะเห็นเท่าจิตใจที่เคยฟุ้งกูพอจะสงบเท่าระงับเท่าจิตใจที่เคยเหนื่มัวพอจะสว่างสวัยเรื่องอัดทำต่อสักปลอกใจให้เกิดความขาวสาดความสะอาดความสว่างสวัยของจิตของใจ นาทีของผู้ปกอบการปฏิบัติจะรู้อเย็เองเป็นสัที่สโปแต่ก่อนเคยกลวคยผู้ไปตามสัญญาอารมณ์อย่างไรเมื่อบังคับบัญชาเข้ามาภายในจิตใจอยู่งกงิดต่อปเรื่ออาจเรื่อรทำตำละแาสาี่องความผิดข้องของใจจิตเคยุกมาระลกต่างๆให้จกออกหออกมีความเบาความสบาย ควานบุญบายผัดคล้องต่างๆในเนื้นกอดหนึ่คืออนิสงการพิจารณาเรื่องของกายของใจหน้าวันจะเบาจะสบายไปมันติดคล้องอะไรที่ไม่พิจารณาปวดถึงแล้วเจ็บชิงแล้วจิตใจจะปล่อยวางสิงๆมันผัดคล้องอยู่เยอะนั้นหมดออกไปใจมีความเบาความสบายไปทุกวันทุกเวลาคือการ สำลักทักเกอกเรื่องห้องใจแต่ักกอะจู่คอปกกเท้าออกไปเจ้าตัวปกตกไปไม่ว่าเแต่เรื่องห้องใจเรื่องภายนอกถ้าหากตัวปกล้มลุกลังแล้วไม่น่าดูหรือทักเสื่อาใสู่ดีเลือหานหรือบานเงินต่อต่างเอื้อผ้าที่ตัวปกก็วไม่น่านุนหน้าหงสจิตใจของพวกเราท่าน ชาหัดซอยในเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาภายนอกไม่มีการชำระก๊อกก่อนหน้าวันสกปรก่้ามืดดำเข้าเลยไม่เห็นว่า อ, อะไรเป็นอะไรเหมือนกันกับคนตามือ่อถึงแสงสว่างจะมีแต่มันมืดมันบอดแล้วก็ ม, มองมาเห็นอะไรเมืม่อไม่เห็นอะไรภัยอันตรายจะเกิดมี คนตาเมือตาบอดมีภัยมากจะ เ, เดินตามถนนท้องทางโกเมืองูกเ็ น, เนลุมเห็นบ่อเห็นหลักเห็นตออะไรเพราะความเมื่ความบอกมันไปโดนเขา่าบกคนนั่นหละจะเป็นคนเจ็บคนปวดคนทุกข์คนลำบากมีจิตใจที่เมืบอบอดปวาทานองเดียวกันก่อจะเมืบอบอดก็เพราะตามศุกร์ปก คือที่เด่นหาทับอกจิตทุกวันทุกเวลาในมีการำํำรกทับกอบจิตใจทั้งตัวแต่นั้นโอกาสเวลาที่เราเป็นพระเป็นเมนหรือเป็นฆราวาสญาโจมที่เข้ามาปฏิบัติในที่สงบส ง, งนนัดคือน้อมจิตนึกคิดเรื่องอําจทำภายใ น, นอย่าปลุงออกไปส่วนนอกใจจะมีความ ทางโลมเป็นเกิดความสว่างสวยใจเห็นตามเป็นคือว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่าง น, งนี้ไม่มีความสงสัยภายใ น, ในใจิตในใจของกนเห็นประจากษ์ชัดเจนว่าธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้ายังคงเช็เนคงวางไม่ได้จิตหายไปตามการตามเวลาสมกับว่าเป็นอาการนิโพธิ์ คือจิตใจจิตสัก ate, OR, ข้อเกิดความสว่างไสวรูเห็นตามเป็นจริงเป็นอย่างนั้นในบาการใดสมัยใดอูปฏิบัติได้รับความสุกกายสุกใจเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามทรรนองคองธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาไม่คนนั้นตกไปในสถานที่ทั่วมีจิตใจสุ่มถึงเบิกบาน ทุกการทุกเวลาคือผู้ปฏิบัติธรรมธรรมยอมรักษาถึงจะอดจนลำบากทางวัตถุแต่จิตใจไม่มีความอดจนมีความเบิกบานยินแยนแก่มใสอยู่ทุกการทุกเวลาธรรมะนาความภู มาให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขอยู่ทุกอิริยาบถจะไปสถานที่ใดความสุขท้องทำปุ่มครองรักษามีความสุขอยู่ทุกการทุกเวลาถึงยังไม่หมดเรื่องของชีวิตตัญหาด้วยอำนาจธรรมะคือข้อปฏิบัติที่ดีชอบที่เราพิจารณาแน่สอนใจของส่วนเคยปฏิบัติดีเด่น เห้นจริงอยู่ทามถูกขู้จอมจะต้องมีจี่เหลี่ยกัญหายังไม่หมดสิมีพพชาติต่อไปเราก็จะไปถูกจุดหมายตลายทางที่เราต้องการจนถึงํารสะสาสางจิเหลี่ยันหาหมดสิ้นไปจากใจเพราะความสว่างสวาเพราะความในหลง อำนสอนย่นเข้ามาภายในอยูเป็นโอปาสที่ปูน่อมเข้ามาห า, ายใจห า, ายใจหาา้องตนถ้าส่งไปนอกมันมีวันมีเวลาีจิตใจจะเกิดความสว่างสวัยที่เดชตันทร์หา ว, วันอย่างชัดเพราะตกถูกใต่อํานาจของที่เดชจันทร์ภวเข้ามาภายในที่เดชตันทร์หาปู ผลคิดที่จะรนาใส่เห็นอัธรรมอยู่ในกายในยในจของคนอย่าไปสงสัยความสงสัยแห้งใจว่ า, า, ามรรคนจะไม่มีเราจะไม่มีอำนาจวาสนานั่นคือเรื่องของมายาของจิต ม, มันจะคิดใส่หูหรือจะคิด เอาไป็นสุใจทัจ้งตัวะปะ่การพฤติบัติอะไรก็กเกิดสองสัยเราคงจะยังไม่สมดุลด้วยบาลานต่างๆมันจะคิดอย่างก็เลยทอดถอนการ ป, รปฏิบัติแต่ไปเชื่อเรื่องพวกที่เลียนตัญหาพกกุศลเจาหรือสาวกผันมีอะไรผิดแปลกแต่ต่างเราอวัยวะทุกส่วนมีเหมือนพวกเรา กิเลสปัญหามีเหนือนๆพวกเราก็เหตุใดเพราะท่นพพนานมีพวกริษขาดหนงพวกเราท่านดีดีเวสอะไรทสัมระสาสางเรือ่องกิเลสปกติกิเลสมีอยู่ท่านสัมระสาสางท่านท่านปฏิบัติความยึดมัน่นยึดมั่นเขาจิตให้ถอนให้ถอน ใ, ให้ละให้ทายจากความมั่นหมายยึดมั่นต่างๆงเพราะเพราะแต่ก่อนท่านเคยยึดเคยถือ มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนพวกเราแต่ที่ท่านได้ท่านเห็นท่านเป็นท่านรู้เพราะเพราะท่านพิจารณาจริงจังน้อมอัดคำองมาสูงใจพิจรารณาตายพิจารณาใจของตัวความชัวต่างๆที่เลี่ยง ว, ว่าทางดำทางมืดหรือทางพุจริิตทางอรุศลนสั่นละ ที่มีอยู่ในจิตในใจละถอนเลื่อยไปที่ยังไม่มีห้ามกัน้นไม่ให้ความ ส, วส่วนนั้นล้วไหลมาต่ว ม, มีแต่การผลออกถึงจะมากขนาดไหนมต้องหมดไปจะมีทางอื่นไหลเข้ามาชำระอีกอย่างนั้นทางดีแล้วหาเพิ่มเติมใครมีมากึ้นทุกที เป็นส่วนว่าสติที่ยังอ่อนกค่อยจะแก่ก็อ่านทุกวันทุกเวลาปัญญาที่ยังอ่อนก็จะแก่ก็เสียบแบมเข้าไปสามารถถับไล่ใส่กิเลสออกจากใจกัจจามความเชื่อเพราะความเห็นความเป็นข้องใจก็จะหนักแน่นเ ข, ข้าไปความเพียรการชำระศาสานาหลุดกิเลสปัญหาพอเพียรอยู่ทุกวันทุกเวลา มที่เีตามาำรับตำราไม่ใช่ว่ามันออกไปจากที่อี่ออกไปจากกายจากใจทุกคนขอให้ปฏิบัติตั้งใจจริงจังทุกคนจะรู้จะเห็นเรื่องอักธรรมธรรมสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่จะเหลือวิสัย อยากเริ่บาปต้องฝากถึงอว่าเป็นเหน่องของเราไปคอยตามเหน่วงของที่เรียไม่มีวันเวลาที่มันจะให้โอกาสอยู่ในสถานที่สงบสงัดกว่าที่อื่นคงจะดีกว่านี้เราจะไปที่นั้นกันก่อนเพื่อเร่งความผาความเพียรจริงจะปฏิบัติกันไปสถานที่นั้นที่เรียที่มันเคยยั่วยุมันเคยยั่วยุไม่ได้อีกเลย ไม่มีที่ใดดียิ่งตัวโลกของที่เหีืตัวเก่าโกหกพกลมใจดวงเก่าของเขาพอเป็นมีวันเวลาที่จะยีเด่นเป็นธรรมให้ที่คนที่ที่เหลือเรื่อที่เดยนของใจเช็มอย่างนั้นมันอยากจะพิจารูาไปว่าที่นั้นจะดีที่นั้นจะนีเหต ไปที่ไหนก่อตาตาไม่ตั้งใจตมวพื้นปฏิบัติจริงจังเป็นไปไม่ได้ตั้งหน้าตั้ง้าปฏิบัติยิงจังที่เรียนมันตัวอยู่สถานที่ใดที่เ จ, จริญนาแกะไขชำระซักก่อสม่ํามเสมอไม่ยอมให้พิเรียนขี่หลังนัง่งฟอกผักมันออกผักมันหนี เือความอยู่ยุของจิน ต, ต่างๆอย่าไปเชื่อเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้ากักายไม่อยู่ใจไม่อยู่ก็คือเรามีู่ทำอยู่้าทำอยู่จ่ตใจจิตใจที่จรณาถูกตามเรื่องของธรรมจะไม่รู้ไม่เห็นเช็นขึ้นอย่างไรไม่ว่าการใดสมัยใด หาที่เจรณาแจกไขส่วนนั้นที่ชั่วสี่เสียก็จะหมดจะโตข อ, อ, อภาสสะสมไม่ว่าอยู่สถานที่ใดอยู่ในป่าในตรงสงบสงัดขนาดไหนใจใจสะสมเรื่องที่เหลือกันหามานะดทุกิตถึงที่จะสงบสงัดใจใจในสงบสงัดยิ่งบุญลงเก็บเรื่อง อกมีสม่ำเสมอสะสมแต่เรื่องที่เลี้ยงตามเต่าหมองคล่องใจใจก็เลยเต้าหมองแล้วจะไปตั้นิสถานที่ว่าที่นั้นไม่ดีที่นี้ไม่เหมาะนั่นเป็นเรื่องของกี่เลี้อยากจะให้นนี้ไปสถานที่นั้นเทียก่อนสถานที่นี้เทียก่อนมันเคยเป็นเคยเห็นมาแล้วทุกคน มาแดจะโดนแบบยี่เดืหรอกเราอย่าไปเชื่อเรื่องของความคิดฟูมงของใจเกินเกินไปใครวกคิ ด, คดนะที่จะรายนาสถานที่ใดเป็นสถานที่เหมาะสมไม่มีผู่คนเกี่ยวข้องวุ่นวายดานงานภายในในทุกทีโอกาสเวลาพอจะ พิจารณาธรรมะมีเต็มสี่เต็มฐานให้ตั้งความเพียรลงไปพิจาณาหนักเข้าเอาจิงจังผู้นั้นไปอยู่ในฐานที่อย่างนั้นจะได้กำลังทางจิตทางใจสิ่ที่เคยสงสยจะแก้ไขให้หลุดลอยออกไปได้หคือปุ มุ่งปฏิบัติจิตใจของตัวจริงจังท่านปฏิบัติมาแบบนั้นพิจารณามาแบบนั้นได้เห็นมาแบบนั้นโดยส่วนใหญ่ธรรมะภายในคือเรื่องกำจัดที่เหลือันหาเรื่องความรู้ยิ่งเห็นจริงของใจไม่ว่าสมัยพุท ธ, ธากาลหรือสมัยปัจจุบันทันมอยางได้อยู่ที่ปา ที่เขาสถานที่เงียบสงบไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงในวังหรือหรือในตลาดเพราะสถานที่สงบส ง, ง่าถึงจะทัดข้องเรื่องอานิตแต่เรื่องของจิตที่เจ้านัา้น สอนเร่อวิเวกตาการวิเวกตายวิเวกใจเป็นของสำคัญมียาลำพาให้ตั้งมั่นในความภาคความเทียนหลังที่นี้ที่เจอณอยู่ตลอดเวลานอกจากหลักวามปกติของจิตถึงเป็นจริงคือความปกติ หรือเป็นหินความหนักแน่เหมือนภูเขาเอารมณ์สัญญาจะมาปัดเป่าไม่หวั่นไหวหินข้าใจที่จะเป็นมะเป็นอย่างนั้นศินภายนอกการรักษากายรักษาว่าจาาเป็นสินภายนอกเป็นหินที่เกิดโทษถ้าไม่ทั้งรวมรักษาเกิดโทษตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่น ที่เกี่ยวข้องกัเศร้ามอ ง, งเดือดร้อนไปตามส่วนสีนของใจสีนภายในสีนที่เป็นมักคือความปกติของจิตในจิตรุ่งไปในทางขวาดิจิตความปกติสมาธิความหนักแน่ของใจตั้งมั่นเข้าไปพิจารณาอะไรเกิดปัญญากเทียมใส เห็นแจ้งสิ่งที่เคยลุ่มหลงเคยผิดข้อง้าปัญญาพิจารณารอบรู้เห็นแจ้งปล่อยวางได้จิตใจที่ปล่อยวางเป็นบางการบางเวลาจิตไม่คิดถือเรื่องต่างๆ พันเรียกว่าวิมุตต์ตัวขณะเวลาท่านก็เรียาาก ว, วิมุตต์เหมือนกัน่วิมุตต์มีหลายอย่างแต่ทางพระิธรรมพนะสมุ ต, ต, มตเตอร์รอลตัวจริงจังรูอรอลทุกสิ่งทุกอย่างหยิบปล่อยวางไม่ขัดข้องสมุต จิตกขสมมติเป็นอย่างไรจิตยังอยู่ในการบําเพ็ญแกะไายนึกการทำความเลี่ยรตรงรวมธรรมดาเราก็เคยรู้เคยเห็นเพราะการปฏิบัติมันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้แต่งบละเอียดเท่าไหร่ขนาดไหนแต่ก็ รู้กวกเข้าใจว่ามันสงบละเอียดความหยุดค้นยังไม่เป็นไม่เห็นเมื่อมันหลุดพ้นจริงจังสมมุติสัญญาอะไรทั่วไปในโลกเข้าไปถึงไม่ได้เราก็ทราบทัดว่ า, าบบนี้เป็นสี่สุดของการปฏิบัติ จะไม่มีสมมติอะไรไม่มีกิริยาอะไรที่จะได้เกิดสงสัยความรู้ที่เป็นอย่างนั้นท่านไวาจักในตัวของท่านว่าท่านหมดไปต่อไปถามคนอื่นว่ามันเป็นอย่างนี้มันหมดหรื อ, อยังรู้จักเองห้ือการปฏิบัติ เร่องวาปัะเสริตัคือเห็นเองรู้เองอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นอาจาที่โปรตุกุลทำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องสมมติภายนอกจะฆ่าจะโลกก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาแต่ผููบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความเป็นความเห็นอ น, นั้นจะไม่มีอะไรจะมาเกี่ยวเกาะพัวพันุ มาติดของสามเหล่ยสมมุติอีกแต่จีิเชื่อมันเหมอน ก, การปฏิบัติไปร้อยปีพันปีจะให้ดีเห็นซึ่งกว่านี้ใน่มีความอยากในใจว่าอยากสงบสงบอยากปฏิบัติอยากลูบหมดไปพอมันถึงจุดที่หมดสมมุติเนี่ยร่างกายทางฐานจะมีอยู่แต่ความ สมบูรณ์ความถึงที่สุดมีแล้วไม่อ้องมีปัญหาอะไรเหมือนกันกับคนที่ทานอาหารอิ่มแล้วซึ่งอาหารจะยังเหนือมากมาหลายหลวงขนาดไหนแต่ความอิ่มความพอของปากคออยก็จดื่มไปอีกไม่ได้กินไปอีกไม่ได้กูดเสียบหรืสมมุตินอกอย่างสมมุติในอย่างความเป็นภายในที่ใจ มันเห็นมันเป็นมันรู้มันถึงที่สุดยิ่มงรรมุด่อทํานองเดียวกันยิ่มเป็นอย่างไรไม่ต้องถามคนอืน่นเพ อ, อิ่มเราจะรู้จักถึงขี่สุดเราก็รู้จักเหมือนกันแต่นั้นการปฏิบัติที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นอยู่ในสถานที่อื่นรู้เห็นจากตายจากใจของศนพวกเราทุกคนก็มีกายมีใจควรกําหนดนิสัยใจนาม ไห้เห็นเหี้ยวงจึงจะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นกี่พระองค์ท่านก็จะมาสอนเหยละชั่วบำเพ็ญดีทำจิตทองตนให้พ้นจากที่เลอะเท่านะไม่ใช่ท่านใช่มแต่ทำให้เรายังจะบอกจะสอนเถอานะเมื่อเรารู้เราพอใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น หน้าที่พวกเราทุกท่านจะเพิ่มพืชปฏิบัติตั่วเอยใช่ท่านจะมาทําให้ความชั่วมันมีอยู่สถานที่ใดความดีมันมีมีอยู่สถานที่ใดใจมันอยู่สถานที่ดใดไอ้โว้คิดเจอนาเขามาภายในพอความชั่วก็มัจะเกิดมาจากที่ใดเกิดขึ้นจากกายจากใจความดีเล้วก็เกิดขึ้นจากที่นี้ ความบริสุทธิ์ล่ะจะมีอยู่ที่ไหนความบริสุทธิ์มีอยู่ที่ไหนเมื้าทําความไม่บริสุทธิ์ให้หมดไปความบริสุทธิ์ก็จะมีอยู่ที่นั้นเหมือนกันกับความผิวมีอยู่ที่ใดความอิ่มก็จะเกิดขึ้นจากที่นั้นแต่เรารับทานให้มันอิ่มันจะรู้ขึ้นเห็นขึ้นเหตุจิตใจของเราเคยลุ่มหลง หวเมาเหวียมวนด้วยที่เหลือปัญหาต่างๆเป็นอย่างไรเราก็เคยรู้จักเดี๋ยววันนี้จิตใจดีแจ่มใสวันหน้ามาเหนียวแห้งตอนใจเกิดเป็นไปต่างๆมานาเห็นรูปนั้นชอบใจเห็นรูปนี้เสียใจเสือกเสียงของอะไรต่างๆเหมือนกันเป็นไปจากที่หน เส็นไฟจากกายจากใจของตัวเมือนกันี้การปฏิบัติอยู่รควรวอกกิดเข้ามาภายในสมาของพระพุทธเจ้าหรือปูกขา่าเป็นสมบัติของคนขั่วไปใช้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติปู่นั้นแหละจะเป็นเจ้าของของธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนใช้ในตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจะแบบทําทีเดินส่วมพิ่ัช ไปสถานที่ใดแบบไปสมาเส ม, มอไปที่เลสไม่มีการปิดตกออกจากกายจากใจทุขหัวเรวาะอยู่อย่างนั้นถ้าหาปฏิบัติเข้ามาภายในถึงจะเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกก่อตังแต่อ่านเรื่องที่เลสันหาความสุขความดีเข้าใจออกแล้วเป็นพอมีความสุขความสบายความ ฉลาดสิตพระพุทธเจ้าถือว่าอยู่ตนไม่ใช่ฉลาดในการนอกฉลาดในการในสมัยพุทธกาลการเขียนการอ่านไม่เคยมีเราก็าพศากันละจำกันโดยปากจำจำคำสอนของพุทธเจ้ามาินทั้งสายนาทั้งที่ห สมุตเจาอ๋ก่อนทีพานไปนานหลายรายยาา้อยปีจิตคนมีการเจริญมีการเปลี่ยนการอาาร่านันแต่ถึงอย่างนั้นจะว่าท่านโง่หรืท่านเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกถ้าท่านโง่ทำไมสระสารเดีแตนหาหมดไปเราทำไมถึงศึกษากับคนโง่แบบนั้นการปฏิบัติภายในคือการปฏิบัติใจขอให้เหเ็นให้เต็มห ถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่เราเราเห็นเปลี่ยนอยู่ในจิตในใจของเราไม่มีทุ้งนีแต่ความสุขจึงควรพากันที่จิจารนาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติเพราะร่งางกายจิตใจของพวกเราท่านกมดกำลัง จ ะ, จะทำบาเร็่องได้ถ้าป่วยไข้หนักเท่าหรือมีภรรยหน้าที่ย่างอื่นยิ่เ ย, ย, ย, ย, ยอะกว่าจะไปถือว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นขัดข้องทาไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เหมาะดีทุกอย่างการเวลาก็เหมาะสถานที่ก็เหมาะถ้าไม่เชื่อตามเรื่องของขีดเส้นหากำหนดพิจารณาลงไป ใจในเนื้อเรื่องของอดของทำถ้าหากเรากำห น, นดสิจงิงจางๆมันจะอยู่จะอยู่รถยังมีเดชกทำนั่นแหละเป็นเดชสำหรับจิตใจที่จะไม่ให้ทุงิจิตไปในเรื่องความขั้วกันที่มีตัวใจมา เลือนีสอนตัวหลายชั่วตัวบาเพ็ญดีิีใจที่มืดอโมโนโนทายการวันนับวันนับเวลาที่จะเกิดความสว่างสวัยความสุขของใจทีเม่เคยประตบพบเห็นจะเพินขึ้นคนมีความสุขของใจเปจะมีสมบัตะใหญ่หลวง เ, เหมือนสมบัติภายนอกไปแต่านที่ใดจิตติดตามตัวไปใ น, น้องหายานภ า, านะเปินสมบัติทีโจรมาีม้น้ำไปทำลายใดำสมบัติของใจเเป็นอริยสัพเป็นสับภายในสี่พระพุทธเจ้าเรือริยเจาผัวไปสันละเสริญดางนั้นขอทุกทัน ลงที่นิพพิเรยมานำธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปสอนกายสอนใจของตนให้มีความสุขมีความสบายมีความสวา่างสวัย